ความสุขมีคุณมากโทษก็นหนักต้องรู้จักใช้คราวนี้ก็มาถึงเรื่องคุณและโทษของความสุขบอกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายนั้นโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าตรัสทั้งในแง่ว่ามีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรและในเมื่อยังมีคุณมีโทษอยู่อย่างนี้มีจุดไหนที่ไหน ที่จะพนไปได้จากข้อดีข้อด้อยเหล่านั้นก็คือพัฒนาต่อไปนั่นเองวิธีมองสิ่งทั้งหลายอย่างที่ตรัสนี้จะทำให้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยพอไปถึงจุดหนึ่งเราก็ยอมรับว่าอันนี้มีข้อดีอย่างนี้แต่ยังมีข้อด้อยข้อเสียอย่างนั้นแล้วทางออกอยู่ไหนก็พัฒนาต่อไปพอไปถึงตรงนั้น ก็ดูข้อดีอันนั้นข้อด้อยอันนี้แล้วที่ไหนจะพ้นไปได้ก็ไปต่อพูดตามภาษาหลักก็บอกว่าเป็นวิธีการพัฒนาโดยรู้ข้อดีข้อด้อยและทางออกคือรู้อสาศทะอาทินวะและนิสรณะสามอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยจะทำงานทำการอะไรก็คอยดูชุดสามนี้ไว้ ก็จะมีการพัฒนาเรื่อยไปอย่ามัวเผลอ น, นึกว่าอะไรอะไรก็สมบูรณ์แล้วก็เลยหยุดเฉยละเลยประมาทก็จะเสียการทีนี้ก็มาดูกันต่อไปในเรื่องคุณและโทษของความสุขแต่ในที่นี้มีใจโอกาสที่จะพูดลึกลงไปถึงรายละเอียดว่าสุขแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละขั้นมีคุณมีโทษ มีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยและที่ดีที่พ้นไปอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษายากแยะออกไปจึงจะพูดถึงจุดใหญ่หรือจุดสำคัญที่โยงไปถึงเรื่องอื่นๆได้กว้างขวางและเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งที่นับว่าสำคัญพูดได้ว่าเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปโยงไปถึงเรื่องการพัฒนาชีวิต การปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาหรือการศึกษาทั้งหมดก็คือเรื่องสมาธิในเรื่องนี้ความสุขมีคุณเป็นข้อดีที่เด่นเห็นชัดว่าตามคำบาลีก็คือสุขกับบันทัศนาโนสมาธิแปลว่าสมาธิมีสุขเป็นบันทัานก็คือสุขนี้เป็นบันทัานเป็นเหตุใกล้ของสมาธิ สุขแปลว่าคล่องแปลว่าสะดวกแปลว่าง่ายคือไม่มีอะไรบีบคั้นไม่ติดขัดไม่ถูกกดดันไม่ต้องดิ้นรนไม่พลุงพล่านไม่กระวนกระวายก็สงบพอสุขก็สงบพอสงบสมาธิก็มาสมาธิก็ง่ายมาได้เลยพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นสมาธิ เพราะฉะนั้นสมาธิจึงอาศัยสุขเป็นที่ตั้งก็เลยพูดเป็นหลักไว้ให้รู้กันว่าสุขขปัฏฐานโนสมาธิแปล ว, ว่าสมาธิมีสุขเป็นบรรทัดฐานได้แค่นี้ก็ชัดแล้วว่าความสุขนี้มีคุณมากแล้วสุขก็เป็นอาการของชีวิตที่มีคุณภาพอย่างพระอาหารหันต์เวลาว่างไม่มีกิจที่ต้องทำท่านก็พักอยู่ด้วยภาวะจิตที่เป็นสุข ในเวลาปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมมาสุขาวิหารซึ่งตามปกติก็มักอยู่ด้วยฌานถ้าไม่มีอะไรทาที่จะเป็นสุขก็อยู่อย่างเป็นสุขตลอดเวลาในวาระนั้นๆอันนี้ก็ไม่จาเป็นต้องพูดมากนักส่วนในด้านโทษก็ต้องพูดว่าโทษของสุขมีไม่น้อยข้อที่สำคัญก็คือ สุขนั้นชวนให้ประมาททำให้มัวเมาลุ่มหลงเพลินผัดเพี้ยนเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชาแม้สมาธิที่มีสุขเป็นบรรทัดฐานก็มีโทษในแง่นี้ด้วยใช้คำบาลีว่าสมาธิเป็นโกสัจฉปักคือเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจโกสัจชแะแปลว่าความเกียดกร้าน ในที่นี้มีขอไขกระรนนะครับปักแปลว่าพวกหรือฝ่ายแต่ในเวลาเดียวกันสมาธิก็เป็นโพธิปัจคิยะอยู่ในโพธิปัจคิยะธรรม37ประการคือเป็นธรรมะในฝักฝ่ายแห่งการการตรัสรู้อยู่ข้างโพธิคือโพธิความตรัสรู้นั้น ก็ต้องอาศัยสมาธิตรงนี้ควรจับเป็นข้อสังเกตไว้คือสมาธินี้อยู่ในโพธิปักเป็นธรรมะในฝ่ายของการตรัสรู้แต่มันก็เป็นโกศชฉปักเข้าพว ก, กับความขี้เกียจ ด, ด้วยเพราะฉะนั้นเวลามองธรรมะอย่าไปมองในแง่ดีอย่างเดียวแง่ที่จะเสียก็มีต้องมองไว้ด้วย แล้วก็ระวังอย่าประมาท ถ, ถ้าปฏิบัติสมาธิใช้ไม่ถูกทางทำให้เกิดความเกียจคร้านก็เสียเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ใช้สติคอยระวังตรวจดูไว้ตอนนี้ได้สมาธิแล้วมันเควไปทานจะเกียจคร้านหรือเปล่าเฉื่อยชาไหมติดไหมถ้าเพลินสมาธิติดสุขไปก็กลายเป็นประมาทมีโทษมาก เป็นนันว่าต้องระวังไว้รู้จักใช้ให้เป็นอย่าให้จมลงไปในความประมาทคนเรานี้พอมีความสุขโดยเฉพาะการมาสุขก็มีความเป็นไปได้มากที่จะลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาสยบติดแล้วก็ประมาทพอสุขแล้วก็ไม่กระตือรือร้อนไม่อยากทำอะไรทั้งที่มีอะไรรอที่จะต้องทำ ก็ปล่อยเรื่อยเฉยผัดเพี้ยนแล้วก็เลยขี้เกียจแล้วก็กลายเป็นคนอ่อนแอเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขแล้วถ้าไม่มีสติมัวเพลินเรื่อยเปื่ยเฉยชาก็จะประมาทแล้วก็อ่อนแอแล้วก็เสื่อมอาจจะถึงกับวิบัติหรือพินาศไม่ว่าบุคคลหมู่ชนประเทศชาติจนถึงอริยธรรมทั้งหลายเข้าวงจรนี้กันมาม า, มากมาย พอมีโทษอย่างนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าสุขจะมีคุณค่าตกต่ำมากมากแต่ที่จริงสุขก็คือสุขคนที่มีกิเลสตัณหากปฏิบัติต่อสุขไม่ถูกต้องจึงทำให้ประมาทเป็นต้นอย่างที่ว่านั้นทีนี้ความสุขที่เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จำนวนมากหรือชาวโลกทั่วไปก็คือกามาสุขจึงนีไม่พ้น ที่จะต้องพูดถึงการมาสุขนั่นอีกแม้ว่าจะพูดถึงมาแล้วหลายครั้งแต่ที่ต้องพูดคราวนี้เพราะโยงไปต่อกับด้านการปฏิบัติการมาสุขหรือสุขอาศัยอามิ t สุขจากวัตถุที่สแสวงหามาเสพที่ได้ที่เอาเพื่อตัวเองมีโทษมากอย่างไรจึงจำเป็นต้องเอาศีลห้ามาคุมอันนี้คือจุดอ่อน เป็นข้อด้อยข้อเสียพื้นฐานของการมาสุกนั้นคือมันเป็นเหตุของการแย่งชิงเบียดเบียนกันในสังคมมนุษย์เนื่องจากสิ่งที่จะมาสนองให้เกิดความสมปรารถนานั้นอยู่ข้างนอกและมันก็มีไม่เพียงพอแก่ความต้องการของมนุษย์เพราะฉะนั้นในเมื่อต่างคนต่างก็ต้องการและทุกคนก็อยากได้ให้มากที่สุดคนก็เพ่งก็จ้องกันก็กลายเป็นปฏิปักษ์กัน ก็ขัดแย้งกันแล้วก็แย่งชิงกันตามมาด้วยการข่มเหงการใช้เล่ห์กลต่างๆการหลอกการลวงการลักขโมยการหาพวกหาอำนาจมากดบีบกันและอื่นรวมแล้วก็คือเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนกันในสังคมตั้งแต่ระหว่างบุคคลไปจนถึงระหว่างประเทศแม้กระทั่งเป็นสงครามโลกเป็นที่มาของทุกภัยสารพัดแก้ปัญหากันไม่รู้จบสิน้น ปากร้องหาสันติภาพมือกวัดแกงดาบกันไปมานี่คือโทษประการแรกของการมสุขการเบียดเบียนกันที่เป็นปัญหาก่อทุกข์ภัยแพ่ขยายออกไปภายนอกนั้นก็มีต้นตออยู่ในใจคือความอยากได้ไม่รู้จักพออันเป็นลักษณะธรรมดาสามัญของตัณหาและความไม่รู้จักพอที่สนองไม่รู้จักหิ่มไม่รู้จักเต็มนั้น ก็เกิดเป็นปัญหาที่ก่อทุกข์ขึ้นมาภายในตัวเองด้วยตัวคนนั้นเองยิ่งได้มากก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นที่เคยได้ในดีกรีและปริมาณเท่านี้เคยเป็นสุขต่อมาได้เท่านั้นไม่สุขแล้วกลายเป็นชินชาของที่เคยทำให้สุขก็เปลี่ยนเป็นเฉยจากนั้นก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วที่เคยขาดไม่ได้ ก็กลายเป็นจำใจทนที่เคยทําให้สุขก็กลายเป็นทําให้ทุกข์ความอยากก็เปลี่ยนไปกลายเป็นต้องการว่าเมื่อไรจะหายเมื่อไรจะไปสัทีนี่ก็คือทุกข์ภัยอย่างหนึง่งแต่ก่อนนี้ไม่มีเงินสักบาทเดียวพอหาเงินได้พันบาทก็ดีใจเป็นสุขเหลือล้นมีรายได้วันละพันบาทแม่มีความสุขจัง ต่อไปก็หวังใหม่อยากได้วันละแสนปันว่าถ้าได้วันละแสนบาทนี่ต่อไปฉันไม่เอาอะไรแล้วแสนสบายมีความสุขเต็มที่เกิดได้วันละแสนบาทขึ้นมาจริงๆตอนแรกสุขเหลือเกินยินดีปรีดาสุขสันหรนสาเต็มที่ถ้ามองลึกลงไปในตอนนี้จะเห็นความคึบขยายของตัณหาที่ก่อปัญหาทำให้เกิดทุกข์จากความไม่รู้จักพอขึ้นมาสองอย่าง 1ก็คือพอได้วันละแสนแล้วอย่างนี้ถ้าวันไหนเกิดได้วันละพันบาทที่เมื่อก่อนเคยได้แล้วมีความสุขเต็มที่นั้นคราวนี้กลายเป็นทุกข์ไปแล้วที่เคยได้แล้วเป็นสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปเลย 2. ที่ว่าได้ ว, วันลแสนจะไม่เอาอะไรอีกแล้วนั้นต่อมาก็ชินชาเบื่อแล้วก็อยากได้วันละล้านจึงจะสุขสมใจ แล้วก็ขยบขึ้นเรื่อยไปไม่รู้จักจบนี่ก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้แต่เนรมิตภูเขาให้เป็นทองคําทั้งลูกก็ไม่พอแก่ความต้องการของบุคคลผู้เดียวเพราะความต้องการนั้นไม่รู้จบไม่รู้พอดังที่ว่ามาเรื่องอย่างนี้ท่านเล่าไว่มากมายไม่รู้ทันว่าความต้องการของมนุษย์นี้ไม่มีที่สิ้นสุด ความอยากได้ไม่มีที่จบสิน้นจึงทั้งเป็นเหตุของการเบียดเบียนกันก่อทุกข์ภัยข้างนอกมากขึ้นและข้างในใจของตัวเองก็ยิ่งมีทุกข์ซับซ้อนมากขึ้นแล้วพร้อมกันนั้นความทุกข์จากความเบื่อหน่ายชินชาก็เข้ามาซ้ำอีกชั้นหนึ่งด้วย